เด็กหนุ่มก็ายทหารพันทวงของอวนเป่งนั้นก็เข้าไล่ข้าฟันทหารโจยินแตกกระจัยกระจายพัดพลายไปเป็นอันมากทีเดียวก็เป็นอันว่าบัดนี้กวนอูก็ได้เงินทรงหยงแต่โดยง่ายก็จึงให้บําเหน็จแก่ทหารตามความชอบแล้วก็เกลียดกลอมอนาประชารัฐดอนให้อยู่เย็นเป็นสุกโดยปกติ อุลูออกสุดนี้ก็ใช้คําว่าไม่หนักหนาเท่าไหรเลยได้มุ่งทรงหยงก่อนละองฮงพูดเป็นที่ปรกษาคนหนึ่งของกวนอูอีกก็จึงได้ว่าแกกวนอูอว่าท่านทาศึกครั้งนี้สะดวกนะแต่เพียงคริปปาเดียวก็ได้มุ่งทรงหยงขาบเจาะคิดเห็นว่า ขวอยู่เมืองกลางฝั่งนั้นให้ลิบองคุมหารมาตั้งอยู่ที่ด่านลกเขาอันเป็นแดนตอดแดนที่จะมาตีเมืองเกงจิวถ้าเขาจะยกมาเนี่ท่านจะคิดประการใด อ, องหูกล่าดังนี้คือระวังเกงจิวอะ่ะกวนอูนก็จริง่ะเราคิดเห็นอยู่แล้วเจ้าจงไปประเปียนทหารเนี่ย ให้ปลูกร้านโพรงรายตามริมม่น้ที่สูงนั้นเอาแต่ดานแพ้เข้าเข้ามาจนถึงเมืองเราเอาห่างกันประมาณ200สองร้อยเซนต์บาสามร้อยเซนบ์บาทเอาแต่พอให้เห็นแสงไฟให้คนอยู่รักษาร้านโพรงนั้นแหงรหาสติดถ้าิึงควนข้ามาแล้วเวลากลางคืน ให้จุดเพลิงให้สหวา่างเวลากลางวันให้สุ่มไฟให้เป็นวันขึ้นไปจะได้รู้เป็นสําคัญและเราจะได้ยกไปช่วยกันได้ทันทีนี่แผนป้องกันเมืองเกงจิว เ, เรียกว่าขาดดยูประกานเดียวคืการสื่อสารถ้าการสื่อสารดีก็ไม่ต้องวันเกรงอุตูก็คิดวิธีการส่งข่าวสื่อสารถึงกันได้วิธีนี้ องหูนั้นก็จึงพูดต่อไปว่ามิฮองกับเตาสูยหญิงซึ่งท่านได้ลงโทษไปแล้วนะ่ะและให้ไปรักษาปากอ่าวฟองหุเมืองนั้นนะ่ะเกลื่านน้ำใจจะคิดมิสุจริตต่อท่านขอท่านจงให้ทาหารไปตรวจตราบูมิงเกงขิวให้แน่นอนอีกครั้งเถอะองหูคนนี้ก็ ความคิดรอบขอบดิกวนอูได้ฟังองหูที่ปรึกษาว่าเช่ น, นี้ก็จริงว่าเราได้ให้ัวโยยไปอยู่รักษาแล้วท่านอย่าวิตกเลยองหูก็พูดอีกที่ปรึกษาผู้นี้พูดว่าอันัวโยยที่ท่านว่าเนี่ยเป็นคนประกอบด้วยความโลภเห็นแก่ราบข้าพเจ้าเห็นว่าหาไว้ใจได้มาก ขอทึ้นจงให้จงใช้ให้เตียวลุยนายกองสเสบียงซึ่งเป็นคนตัดซื่อมั่นคงไปอยู่รักษาเถอดเห็นจะไม่เป็นอันตรายถึงจะทำการยิ่งกว่านี้สักหมื่นเท่าก็หามีความยอดอ้อใหม่ที่บุษบากล่าวชนิดกวดอูก็ถิอว่าอันพัวโยยคนเนี้ยชั่วดียังไรมานี่เราก็ย่อมรู้อยู่แล้ว ซึ่งจะให้เตียวลุยไปอยู่แทนนั้นนะ่ะอย่าให้ไตเลยอันตัวเตียวลุยนะ่ะสำหรับคุณสเบียนก็เป็นใหญ่อยู่ท่านอย่าสงสัยเลยจงไปทาตามคำเราเถอะกวนอูเริ่มเชื่อถือความคิดเห็นตนเป็นใหญ่ทายเดียวดังนี้แล้วเริ่มเริ่มหนักขึ้นไปอีกแล้ว มิยอมฟังความคิดเห็นแต่ประการใดเลยเนี่ยองหูงตึ่ไปที่ปรึกษาก็แรยคำแนะนำอย่างดีแล้วแต่ท่านผู้เป็นนายมิกระทาตามเหตุนั้นเด็กฟังกวนอูว่าอย่างนั้นเนี่ยองหูที่ปรึกษาก็คำนับรากวนอูไปเท่านั้นเองกวนอูก็สั่งกวนเป็งให้จัดแจงหรือรบจะยกห้ามแม่น้ำซ่งกัง ไปตีเอาเมืองอ้วนเสียของโจยินให้จงได้คราวนี้ค้าปฝ่ายโจยินอ่ออกไปรบกับกวนอูวันแรกได้ชัยชนะวันสองแต่แรกก็ได้ชนะแต่แล้วตอนหลังเคลี่ยงคลั่เสียของชีวิตฐานเอก แล้วก็ถอยมาตั้งมั่นอยู่มืนงอ้วนเสียเนี่ยโจยิมเนี่ยก็ปรึกษากับบวนทงสอเดียวว่าเนี่ยท่านได้ห้ามเราแล้วแต่เราก็ไม่ฟังคืนยกถานออกไปรบจนต้องเสียทหารหรือเสียบ้านเสียเมืองบัดนี้เมื่อเป็นชนีดแล้วเราจะคิดอ่านประการใดดีโจยิมหันกลับเข้ามาปรึกษาบวญธงแต่แรกบวญธงบอกแล้วอย่าออกไป บนผมก็จึงพูดว่ากวนอูคนนี้มีกำลังมากนะท่านจงคิดอ่านป้องกันให้มั่นคงเถอะและขณะนั้นลิเสียงอ่าลิเงเดีวยวกับโจหยิงว่ะข้าพเจ้าจะขอทหารสามพัน 3, ไปสู้ด้วยกวนอูเอาชัยชนะให้จงได้ลิเสียงจิงขอทหารสามพันเท่านั้นแก่โจหยิง แต่บูนทงทนอู่ไม่ได้ก็จริงว่าท่านจะยกไปก็หาชนะกวนอูไม่หรือเสียงจิงก็จริงว่าถ้าทํชายไหมจะกําจัดข้าสึกเสได้ท่านน ม, มิรู้หรือในตำระบพิชายสงครามนะว่าไว้ว่าหากศึกยกมาถึงท่ากลางแม่น้ําถ้าออกไปตีก็จะมีชยัยก็บักเนี้ยกวนอูยกมาถึงกลางแม่น้ําำฟงแข็งแล้ว เหตุใดจึงไม่ยกออกไปตีถ้าเขาข้ามมาประชิดกำแพงเมืองได้แล้วก็เห็นจะขัดสนลิเสียงจริงว่าอย่างนี้ตัวยินไเล็กฟังก็จะไม่ลิเสียงเนี่ยคุมทหารสามพัน 3, ยกออกไปก็เห็นกวนอูอาข้ามมาเขี่มาถึงงายืนอยู่หน้า ฝายทหารทั้งปวงของลิเสียงที่ออกไปน่ะเห็นกวนอูตั้งทหารอยู่บนหลังมาแันก็ตกใจกลัวแล้วต่างคนต่างก็แตกหนีหลิเสียงยังร้องห้า ม, าม ท, มมา ห, า ห, ทาหารทั้งปวงไว้ก็ไม่หยุดฝ่ายกวนอูเห็นได้เคลียก็ขับทหารทงปวงไล่ฆ่าฟันทหารของลิเสียงตายเป็นั้นมากส่วนตัวลิเสียงและทหารนั้นหนีไปได้บ้างก็ห น, นีกลับเข้าไปในเมืองโจยิน ก็จึงให้ทาหาราไปยังเมืองเตียงอันสงส า, ารไปเมืองเตียงอันทูลความแก่พระเจ้าวีอ๋องทูลความแก่โจโฉว่าอ้วนอูยกมาตีได้เมืองทรงหยงแล้วและบัด น, นี้ได้ยกมาล้อมเมืองอ้วนเสียไว้จึงของกําลังกองทัพให้ยกไปช่วยด้วย เมื่อกวนอูเข้าล้อมเมืองอ้วนเสียไว้นั้นโจหญิงก็ส่งทหารไปยังเมืองเสียงอันงทุลความแก่โจโฉ ว, ว่าควรอูยกมาตีได้หนึงคงหยงแล้วบัดนี้ยกมาล้อมเมืองอ้วนเสียไว้ขอให้ยกกำลังกองทัพไปช่วยโจโฉได้แจงดังนั้นก็เป็ว่าแกอีกินว่า เราก็เห็นแต่ท่านผู้เดียวอาจจะไปช่วยเมื อ, องอ้วนเสียไว้ได้อี ก, กินก็จึงทูลว่าข้าไเจ้าจะขอทหารเป็นกองหน้าไปด้วยบางเต็กมีบางเต็กบางเต็กก็ทูลเดียวว่าข้าไเจ้าจะขออาสาเป็นกองหน้าไปจับเอาตัวตปวนอูมาถวาย ตอ น, นโจโฉก็เป็นพระเจ้าวีอ๋องนะครับบางเป่กล่าวยันนี้เลยโจโฉก็เจอว่าคือโจโฉนี่รู้จักกวนอูดีรู้จักกวนอูดีมากโจโฉก็เจอว่าอันกวนอูคนนี้เป็นคนมีฝีมือปรากฏไม่เห็นว่าผู้ใดจะ ต, ต่อสู้ได้เห็นแต่ท่านผู้เดียวอาจจะต่อสู้ได้ และโจโง่ก็ตั้งอีกินให้เป็นทัพหลวงและก็ตั้งบางเต็กนี่แหละเป็นทัพมากและให้ตั้งเหงิตังเขียวเสิงโหขุมฐานเจ็ดหมวดไปช่วยเมืองอ้วนเสียตั้งเหงิเพราะจึงว่าแกอีกกินว่าอันทั้งแกยกไปช่วยราชการเมืองอ้วนเสียนั้นเห็นจะได้อยู่ซึ่งบางเต็กเป็นทัพมากไปนั้นเห็นจะเสียราชการ ตัางเหงิ้ผูจะต้องไปด้วยในกองทัพกล่าวดังนี้คือว่าอี ก, กินเนี่ยใช้ได้ระว่าอย่างนั้นแต่แต่บางเตกนี่สิใช้ไม่ได้อี ก, กินดางยก็ตกใจก็ถามว่าท่านเหตุผลประการใดอะ่ะจึงกล่าวเช่นนั้นตางเหิก็จึงตอบว่าบางเตก ค, คนนี้แต่ก่อนนั้นก็เป็นทหารมาเขียวครั้นแล้ว ไปติดอยู่ในเมืองฮันตงมาเฉียวไปอยู่กับเราปีต่อมาพระเจ้าวีอ๋องยกทัพไปตีเมืองฮันตงจินได้ตัวบางเต็กมาอยู่ด้วยบางเต็กมาอยู่ด้วยพระเจ้าวีอ๋องด้วยเหตุนี้มาเฉียวนายก่าวนั้นก็ไปเป็นทหารเสืออยู่ในเราปีบางยูง ผู้เป็นพี่บางเตกก็เป็นขุนนางอยู่ในเมืองเสฉวนและบักเนี่ยจะให้บางเตกเป็นแม่ทัพน้าโยไปรบกับกวนอูเนี่ยก็ดังเอาน้ํามันไปซัดเขาในกองเพลิงพระเจ้ากล่าวเชนนี้เหตุใดท่านจึงจมิทูลพระเจ้าวีข อ, องให้จัดผู้อื่นเป็นทัพนาฏไปล่ะนี่เองเหตุผลของตังหิง ที่ว่าบางเต็กจะทำให้เสียวราจการก็ด้วยกล่าวกันว่าต้องถูกพันอยู่กับทางเราปีมากกว่าเพราะอ่านายเก่าคือมาเสียวก็อยู่กับเราปีพี่ชายก็อยู่กับเราปีและบางบางเต็กนี่จะไปโรบกับปวนอูซึ่งเป็นน้องร่วมสาบานของพระเจ้าเราปีอย่างเนี้มันมีแต่จะเสียผลข้างเรา อีกกินได้ฟังเหตุผลทั้งสิ่นดังนี้แล้วก็ในราตรีคืนนั้นแหละก็เข้าฝ่าพระเจ้าวิอองแล้วก็ทูลแก่พระเจ้าวิอองตามถ้อยคําเหตุผลของตังเหตุทุกประการน่ะพระเจ้าวิอองคือโจมิ่งเตโชนั้นเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ต้องคิดเหมือนกันก็จึงให้เรียขาตัวบางเต็กมาแล้วก็จึงพูดว่าซึ่งเรา ตั้งท่านเป็นทัพมาไปนั้นแหะท่านอย่าไปเลยเราจะจัดทุกอื่นไปเองมีเท่ากับวัดโจโฉปลบบางเตกออกจากตำแหน่งแม่ทัพมาแรู้ว่าบางเตกถูกปลดเสียแล้วอย่างนี้นี่มันไม่มีเหตุผลเลยสําหรับบางเตกบางเตกก็ถูกว่าข้าพเจ้าก็ตั้งใจทําำระจัดการสนองกระเดยพระคุณโดยสุจริตพระองค์จะไม่รีบไปนั้นแหละโดยเหตุประการใด่ะ โจโฉก็จริงว่าซึ่งเรามิให้ท่านตายนะบัตนี้ก็เพราะบางยิวพี่ของท่านและมาเฉียวนายเก่าของท่านก็ไปอยู่ในเล่าปีและซึ่งท่านจะเป็นกองหน้าไปนั้นะเราก็เห็นด้วยแต่าหารท่านปวงนี่หาเป็นใจด้วยไหมโจโฉก็กล่าวดังนี้ว่าโจโฉเห็นด้วยคือไว้ใจ แต่คนอื่ที่เขาหาเป็นใจด้วยไหมคือเขาไม่ไว้ใจบางเต็กเด็กสาเหตุผลดังนี้ก็ถอดมวกออกทีเดียวแล้วก็นหนัาผาของตนอะ่ะกระทบเข้ากับศีลาพื้นคือเหวัหวไอหพื้นเลยซึ่งพื้นเป็นศีลาทิศาสแตกโลหิตไหลเลือดอาบมากาทีเดียวนี่เป็นกา ร, รแสดงความจริงใจออกมาให้ประจัดแล้วก็พูดว่า ขบเจ้ามาทําราชการอยู่ในพระองค์แต่ครั้งเมืองหันตงพระองค์ก็ได้มีพระกลุ่มแก่ขพเจ้าเป็นอันมากขบเจ้าก็ยังไม่ได้ทดแทนพระกลุ่มพระองค์เลยเหตุใดจึงมาสงสัยชนนี้เมื่อขบเจ้าอยู่ด้วยพี่ชายนั้นพี่สะพ้ายก็ทําประทุษร้ายต่อขบเจ้าขบเจ้าเสดสุรามเมาแล้วได้กข่าพี่สะพ้ายขเจ้าเสียบางยิว พี่ชายข้าพเจ้าก็โกรธข้าพเจ้าถึงตัดเป็นตัดตายกันแต่นั้นมาและเมื่อข้าพเจ้าหยุดด้วยมมาเฉียวนั้นก็เห็นว่ามาเฉียวนะ่ะเป็นแต่คนใจกล้าแต่หาปัญญามิดได้พาทหารไปทําสึกก็ตายเสืส่อทั้งกองทัพอยู่แต่ผู้เดียวจึงต้องไปอาศัยเล่าปีอยู่ข้าพเจ้าจึงได้มาเป็นฆ่าของพระองค์ บัดนี้ต่างคนต่างก็มีเจ้าด้วยกันขาดไม่ตีต่อกันแล้วอันพระองค์มีคุณแก่ขบเจ้าขาบเจ้าก็จะขออาสาไปทำสงครามแทนคุณท่านในครั้งนี้มีบางเต็กกล่าวความจริงใจออกมาชนิดโจโฉนั้นก็รู้ไปจูมือบางเต็กเข้ามาใกล้แล้วก็ปลอบว่า นความจริงนั้นนะเราก็รู้อยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อและประกอบเรยการตันอยู่ซึ่งเราแกล้งว่านั้นหวังจะให้คนทั้งตัวนะ่ะสิ้นสงสัยท่านจงไปทำราชการโดยสุจริตเถิดบาง เ, เด็กๆฟังดังนั้นก็เขารพและก็ลาพราะเจ้าวิอองกลับไปบ้านกลับไปถึงบ้านก็ ฟังให้ต่อโลงใบหนึ่งต่อโลงคำนี้ก็เข้าใจกันได้ดีโลงศพมาแล้วก็เรียกชาวบ้านทัื่วนเพื่อนทั้งวงมาเรียงโต๊ะร้อมกันแล้วก็ยกโลงนั้นออกมาตั้งไวต้ตอหน้าคนท้งปวงให้ได้เห็นประจักษ์กันทีเดียว ทีอะไรอ่ะที่ก็ทำารล้วงนั้นก็คื อ, อต่อรงโซปะและยกมาตั้งต่งตอหน้าคนเมปูนเชิญเพืพ่สูงไม้คนเม่องปูนก็สงสัยเลยจอดไปรบแล้วมาทำอย่างนี้ก็ถามว่าท่านตีจะยกทับไปทำศึกเป็นแม่ทับมาสำคัญนะเหตุเช่นไหนที่มาทำดังนี้เนี่ยจะไม่เป็นรางไปหรือ มีพวกถืโชคถือรางนี่เขาจะคิดอย่างเนี้คือทำโรงศพจะใส่ตัวเองไว้ยังไงบางเป็กก็ชูจอบสุราขึ้นแล้วก็จริงว่าพระเจ้าจวีอ๋องน่ะมีคุณแก่เราบัดนี้เราจะอาสาไปทำสงครามกับกวนอูครั้งนี้ก็เป็นที่สุดอยู่แล้วถ้ากวนอูไม่ตายเราก็จะตายเป็นมั่นคน นี่บางเตกประกาศความเด็กเดียวมาดังนี้เลยอันนี้ก็หมายความว่าถ้าตัวรู้ไม่ตายตัวเองก็ตายถ้าตัวเองไม่ตายกวนอูต้องตายนั่นแหละจะกล่าวว่าโรงศพโรงนี้จะไว้เพื่อใส่ใครกันก็ตามเถอะคนทั้งฝั่งเด็กฟังคําประกาศของบางเตกเด็กขาดฉะนั่งก็สังเสริญว่า ท่านว่าดังนี้ก็ชอบอยู่จากนั้นบางเต็กก็เรียกนางลิซีผู้เป็นภรยาเข้ามาแล้วก็สั่งว่าถ้าเราหาบุญไม่บางโหยบุตรชายของเรานี้มีลักษณะอันดีจงอุตสาห์เลียงดูไว้จะได้ไปรบกับกวนอูแทนตัวเราบางเต็กสั่งการ สมุนเป็นลางแก่ตงเองดังนี้ิจะกล่าวด้วยความพ่อมตัวประกันไทยอย่างไรก็ตามเถอะก็ฟังการดังเนี้ยอย่างน้อยกปากความพยายามมอบหมายมากที่ไว้กับบุตรชายคนเดียวของตงชะนีอีกด้วยที่เป็นประเพณีจีนอีกอย่างหนึ่งที่ปากฝังความพยายาทกันเข้าไว้ในสายเลือดและขณะเมื่อจะยกข้าเป็นบังเต็กก็สั่งแกง่ฐานน้ำพงพร้อมกันว่า ถ้าและเราตายท่านก็จงเอาใส่โลนี้มาถวายพระเจ้าวีอองถ้าเราฆ่าวนอูตายก็จะตัดเอาศีรษากวนอูใส่โลนี้มาถวายพระเจ้าวีอองโลนศพโลนนี้มีประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งร่องแหละไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายตายก็ได้ใช้โลโลนนี้ละ่ะ ทาหารกองหน้าทั้งห้าร้อยของบันเต็กก็ชื่นชมยินดีในความเด็กเดียวมัน่นคงของผู้เป็นนายทัพแห่งตนนี่นะราก็จึงว่าถ้าท่านตั้งอยู่ในความฟาสุจริตดังนี้แล้วข้าพเจ้าทันงตัวก็เต็นใจที่จะทำํำราชการด้วยทางบางเต็กจะว่าไปแล้วกล่าวปลอบอบให้กําลังใจราษานกล้าทั้งห้าร้อยของตนไดเป็นอย่างดีแล้วก็ยกทัพไปเมื่อบางเต็กยกทัพไปมัน ก็พร้อมเดินลงใหม่นั่นด้วยก็มีผัวนื้อกวนติดบางเ็กวาดกล่าวและกระทำต้นตือตั้งพว ง, งเนี่ยไปทูลแกพระเจ้าวีอ๋องคือโจโฉโจโฉก็ชื่นชมยินดีเพรจริง ว, ว่าถ้าบางเตกสัตว์ซื่อดังนั้นแล้วเราจะวิตกอันใดกับข้าสึกหลับโจโฉน่ะกล่าวชื่นชมบางเตกขึ้นเความยินดีทีเดียว ในขณะนั้นที่ปรึกษาผูา้หนุเด็กิงอย่างนั้นก็จึงทูนว่าบางเท็กนี้ดีแต่กล้าอย่างเดียวข้วาพเจ้าคิดวิตกอยู่เห็นว่าบางเต็กหาอาจที่เจาชนะโกนูได้ไหมโจโฉได้ฟังก็เห็นด้วยก็จึงให้ฐานถึงหนังสือตามไปว่าแกบางเต็กว่าคือความจริงเก็คืออย่าได้ประมาทนั่นเองละ่ะที่เห็นหนังนะสือไปเนี่ย ความแบบอย่างนี้กวนอูเขามีกําลังพลังทั้งความคิดก็มากซึ่งจะรบด้วยกวนอูนั้นอย่าได้ประมาทถ้าเห็นได้ทีแล้วจึงทําการถ้าไม่ได้ทีก็รักษาตัวมั่งไว้อย่าให้มีอันตรายได้นี่โจโฉมีหนังสือตามไม่ฉบับหนึ่งมายังบางเตกหนังนนสือฉบับนี้มาถึงบางเตก บางเตกรู้ในรับสั่งของพระเจ้าวีอองดังนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าแก่ฐานนั้นพวงว่าควนอูเนี่เป็นคนกล้าปรากฏมาถึงสามสิบปีแล้วบัดนี้เราจะมากำจัดเสียให้ได้เหตุใดพระเจ้าวีอองเจ้าของเราจรึงมาสังสงกวรอูนักดังนี้บางเตก ม, มองเจตนาของ โจโฉผิดไปทีเดียวเห็นเป็นว่าโจโฉยกย่องโวนอูไปซะอย่างนั้นแหละหาได้มองเห็นถึงความปรารถนาเดียนแท้จริงของโจโฉไหมถึงกับว่าเอาอย่างเนี้ยเหตุใดพระเจ้าวีอ๋องเจ้าของเราจึงมาสรรเสรินโวนอูอนักดังนี้อีกกินผู้เป็นแม่ทัพหลวงได้ฟังบางเทกว่าอย่างนงั้นก็จริงว่าท่ามีรับฟังมาดังนี้อ่ะ ควรที่เราจะกระทำตามจึงจะชอบอีกกินก็ผูดจามไปตามผู้ใหญ่อย่างนี้แหละครั้นแล้วอีกกินบางเที ก, ก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็ยกกองทัพอู่วงเข้ามาใตาเ้เมืองอ้วนเสียแล้ว่พรฐานหัวร้องตีกองขึ้นพร้อมกันฝ่ายกวรอู่ซึ่งต่างประชิดเมืองอ้วนเสียอยู่นั้นคือกวนอูนะ่ะยังยังตีเมืองอ้วนเสียไม่ได้ เพียงแต่นทับมาประชิดมืองวนเสียอยู่ควรอูทุ่งตัง้งทับประชิดมือกวนเสียอยู่นั้นข้อนแจ้งว่าอีกกินกับบางเตกยกทัพมาแล้วยังกล่าวคําหยาชา้าแล้วว่าเอาโลงมาเนี่ยจะมาใส่ศีรษะตัวด้วยเนี่ยควรอูก็มีความแค้นยิ่งนะักก็จริงว่าตัวเราก็มีฝีมือเรื่องมืออยู่ในแผ่นดินเหตุใดอ่ะอ้ายบางเต๊ก เพิ่งเป็นแต่คนต่ำช้าจึงมาว่าเราชะนี้นี่กูอูก็มีจิตใจยอยู่อย่างหนึ่งโดยแท้จริงทีเดียวติดโกรทองตรงอืมว่าจูร่งมันก็เคยแต่จูรนะ่งเนี่ยยังมีภาษีหม่อยที่ว่าติดตามเราฝีมานานแล้วมาถึงบางเตกอ่ะกูอูก็ว่าเนี่ยไอ้าบางเตกตเป็นแต่คนต่ำช้ากูอูเอาละ กพ ด, ววดกว้วยความปวดกว่าไปแล้วก็ควนเป่งลูกเวียไปรบเมืองอ้วนเสียส่วนตัวควนอูนั้นจะยกทัพไปรบกับบางเตก ค, ควรเป่งก็จึงว่าแกควรอูผู้บิดดาว่าตัวท่านดังหนึ่งภูเขาอันใหญ่อันบางเต็กนั้นเปรียบบางก้อนศิลาอันน้อย และด้วยเหตุดังนี้จะไปต่อสู้กับมันนั้นไม่ควรข้าพเจ้าผู้บุกจะขอไปต่อสู้ในบางเต็กแทนท่านเองกวนอูเขาจึงว่าเจ้าจะไปก็ตามเถอะและเราจะยกตามไปภายหลังกวนอูอนุญาตกวนเต็งก็ลากวรอูผู้บิดายกทหารไปฝ่ายบางเต็กท่านเห็นควรเต็งยกทหารออกมา ไกรฐานเอาธงใหญ่ซึ่งเขียนไว้เป็นอักษร ส, สี่ตัวชื่อว่าชาวลำหันบางเต็กมีชื่อเขาอย่างนี้เหมือนชาวเสียงสารจูรงแหละนะครับนี่เราจะพูดกลับคำด้วยความตกใกันสักนิดเดียวเพีงแค่ว่าบางเต็กชาวลำหันก็เหมือนกับคํายกย่องจูรงหรือเรียกจุรงว่าจุร่งชาวเสียงสารเช่นกันแหละ าบางเต๊กเขาทำอย่างนี้เลยเขียนชื่อแสกินประกาศเลยแล้วไปทหารถือพงประกาศชื่อแสกของพนแหละเดินนำหน้าเรียกว่ามีฐานเชิญธงนำหน้าเลยทีเดียวแล้วบางเต็กนั้นก็่ส่เสื้อเกราะถือเงาวมีใช้อาวุธชนิดเดียวกันกับคนยิงถางด้วย ไส่เสื้อกาะกถือเงาวขี่ม้าออกมายืนอยู่หน้าทหารทั้งห้าร้อยแล้วก็ให้ยกเอาโลมัดตั้งไว้ตรงหน้ากวนเป่งบุดเรเลี้ยงกวนอูผูดยกทัพมากระหน่ำบางเต็กขี่ม้ามายืนอยู่ดังนั้นกวนเป่งก็ร้องด่าทีเลยว่าไอ้คนทรยศไม่ตรงต่อ น, นายนี่กวนเป่งก็รู้จักด่าเหมือนกัน คือนายของบางเต็กคือมาเกียวมาเกียวอยู่กับเหล่าปีแต่บางเต็ก ม, มาอยู่กับโจโฉนี่ก็ถูกด่าว่าไอ้คนทรยศไม่ตรงต่อนายบางเต็กเลยยินงไม่ก็หันมาถามฐานของตนว่าไอท้ทียกมาเนี่ยมันคือผู้ใดทหารนุงก็บอกว่าชื่อโวนเป๋งเป็นบุตรเลี้ยงโกนอูบางเต็กก็ร้องว่าแกโกวนเป๋งก็ไปทีเดียวว่าพราะเจ้าวีอ๋องใช้ให้เรายกทับมา เอาสิสะควรอูผู้เป็นบีดาของตัวสวนตัวเจ้าเนี่ยก็เป็นแต่ลูกเล็กเด็กน้อยหาควรคู่กับฝีมือเราไหมเร่งกลับไปบอกให้บีดาของเองนะ่ะออกมารบกับเราจึงจะควรกันคุณเป๋ง น, นี่ก็มีฝีมือพอัวทีเดียวเด็ดปานไม่ต ก, กรขับม้าเขารบกับบางเต็กด้วยกระบวนเพลงมา้าสู้รบกันคุรเป๋งก็สา ม, มารถนะ่ะ สู้กับบางเต็กได้สามสบเพงก็มีได้แพ้มิชนะแก่กันนจะกล่าวไปทีบางเต็กโค่นควนเต็งลูกเรี้ยงควรอูไม่ลงเหมือนกันสามสิบเพลงเราทำอะไรกวนเต็งไม่ได้ในที่สุดตานคนตานก็ราพับถอยไปในขณะนั้นทหารก็มาบอกกับกวนอู บ, บักนี้ กวนเตงที่เอาไปรกับบังเต็กนั้นยังไม่แพ้ชนะการกวนอูนเด็กฝรั่งก็โกรธ<ฮ>ที่กวนเตงยังเอาช น, นะบังเต็กไม่ได้นี่โกรธแท้ๆก็ฟั่งเอวีวหัวให้เข้าไปเอาเงินเรืองเสียและกวนอูรั้นโยกทับรีบปานกวนเตงมาทีเดียวกวนเตงคราดเห็นกวนอูออกมาก็จึงบอกว่าข้าพเจ้าเข้ารบกับบังเต็กได้สามสิบเพลง ก็ยังไม่อาจาเอาชนะได้บางเต็กก็ราดทับไปควรู น, นั้นก็เร่งฐานเข้าประชิดไข่บางเต็กเลยทีเดียวแล้วก็ร้องว่าเราชื่อกควรูท่านจงเร่งเอาชีวิตมาให้แก่เราเถอะควรูไปร้องเอาชีวิตเลยบางเต็กได้ยินดังนั้นก็จึงออกมาทีเดียวแล้วก็ร้องออกมาว่าเราจะอุยอ๋ อ, อง ให้เรามาเอาศีษะท่านถ้าท่านาไม่เชื่อก็แล้วดูแต่โลนี่เถอะถ้าแม้ท่านตัวความตายก็เร่งลงจากหลังมา้ามานบน อ, นอกแก่เราให้โดยดีเราจะช่วยเอาชีวิตไว้ให้บังเตกกล่าวอย่างนี้หลักฐานของเขาก็คือโลนที่เขาทำมาด้วยเดียรคุณครู ก, ก็โกรธทีเดียวพราะจริงว่า ที่เองว่ามานันนะ่ะกูเห็นว่าเกินไปไม่สมควรกูจะฆ่ามึงเหมือนฆ่าหนูน้อยแค่ตัวหนึ่งเท่านั้นแต่กูคิดเสดายข่มงาวของกูกวอู ว, วา่าดังนั้นแล้วก็ขับม้ารำงาวเข้ารบกับบางเตกสู้รบกันอยู่ได้ร้อยเพลงเสร็จกวนอูก็ยังเอาชนะบางเตกนี้ได้หรือจะเรียกว่ายัางมีแพ้ในชนะกันก็ตามเถอะ ฝายทหารทั้งฝูงของบางเตกนะ่ะเด็ ก, กิติศัก์กวนอูมันหนักหน า, นาอยู่ก็กลัวว่าบางเตกจะแพ้กลัวบางเตกจะพ่ายแพ้แกกวนอูก็จริงให้ปีมารอบเป็นสําคัญเป็นสัญญาณถอยให้ถอยข้างฝ่ายกวรเส็งก็เห็นว่ากวยอูผู้วิดาของตนเนี่ยก็ชาราแล้วะ่ะเออข้างฝ่ายควรเส็งก็เห็นว่า ควรดูที่เวาของตนในกัชาลาแล้วอ่ะเอ่อห้าสิบเกินแล้วก็กลัวจะเสียขีขาดสุดเหมือนกันควรเต่งก็เยตีมารอเหมือนกันเป็นสัญญาณลาทับเหมือนกันเป็นอันวัดต่างคนต่างก็ถอยกลับไปไข่ยตย่น ันเตึกนมื่อถอยกลับมาแล้วอยู่กับพรจักรันเถอะต่างฝ่ายต่างก็เยนเหมือนกันดอยดกันทั้งคู่ทั้งสงฝ่ายเนี่ตึกถอยมาแล้วก็ว่าแกทานน้ปล่ะที่เขาเล่ า, ามีวนอมีผินียเราก็เพิ่งเห็นอย่างนี้เขาดีจริบาตกยอมรับในพืีพ่นอูเรทีเดียว่ะ แต่เราผู้เดลมเมื่นี้เขาดีจริงขยามนั้นอิจิมิก็ถือว่าเปบางเต็งว่าท่านจะเข้ารบกับอเวอูถึงรดเยเทนแล้วเหตุใดท่านจึงนี้ถอยทัยทกแลนี่จะมี้ถูกรับสั่งคือรับสั่งที่เวีของบอกมาแล้วนถ้าเห็นไม่ได้ทีก็ไม่ต้องรบอ่ะบางเต็งเนีนก็ต อ, อกอกจิิว่า ถ้าเจ้ามีองก็ตร้งท่านเป็นแม่ทัพหลวงเหตุใดขึ้นมายอดท้อแก่ข้าสุดดังนี้นีบางควรเวลาที่นี้ขบเจาจะจออกต่อสู้ดุริอูอีกว่าจะสิ้นชีวิตนี้ได้ถอยหลังเลยมีบางเป็กประกาศออกมาอย่างนี้เลยมีกลิงนแบบบังบางเป็กพูดอย่างนี้นก็คนนี้อาจจะขัดได้เหมือนกัน พวกเขาขับไปแบบตัวตายเป็นคนเหาะพอแต่การติดการสขขงครามเนี่ยมีกลิ่นก็กลับไปค่ายของตัวทีวนี้ขํางฝ่ายตัวนอง๋ฝ่ายกวนอู๋ครั้งกลับไปถึงค่ายแล้วก็ถือว่ากับกวนอูเห็นว่าบางเป็กคนนี้เยเขาก็ดีอยู่ในกระบนเพลงเงาแล้วก็มีกีิ่นพอทันกันกับเรากวนอูก็กดไม่ได้นรอกกัน ติดยกย่องบางเต็กคกนสิงก็จึงบอกแต่อนอุทุมบีดาว่ะถึงแม้ว่าท่านจะต่อรถฆ่าบางเต็กก็ได้嘛นะถึงชนะแล้วก็เหนชนะผู้หญิงถ้าขุดแพ้แก่มันเข้าก็จะเสียเกียรติยศของพระเจ้าหันตงิงหาควรไหมพระเจ้าหันสิงคือหลอกปีจะเสียเกียรติยศพระเจ้าหลอกปีอะ ควรเป็นว่าหรือควรอูเก็ถึงว่าถ้าเราม่ฆ่าไอ้บางเต็กเสีอได้ก็หาที่จะหายความแค้นไม่ะจอย่าว่าดังนี้เลยครั้งวันเช้าเอาควรอูก็ยกไปอีกบางเต็กก็ยกออกมาสู้รบกันได้สกเพลตอนนี้บางเต็กเริ่มทำอุบายละบางเต็กแกล้งทำเป็นเสือทีละงาวหนี อันนี้หมายความหมดกําลังสิ่งกําลังแต่คนเง่าอยู่ไม่ไหวหลากเง่าหนีเมื่อวูเห็นดังนั้นก็ไล่ติดตามไปดีอแล้วก็ร้องด่าว่ามึงอยากแกล้งพักมาทํากระเบื้องหนีเลยอูรู้เท่ามึงอยู่แต่ก็หาตัวไม่แล้วคนก็ไล่ตามไปทั้งๆที่ก็รู้าบางไปทําอุ้ายและฝ่ายกลัวสิ่งเนี่ยก ล, ลัวหรอกวอือูผู้เป็นดีานาจะเป็นอันตรายก็ตามไปด้วย ก็พอเรเห็นบางเตกเอาเงาผ้าตากิ๊กถ้าเกาทันออกมาจะยิงควรเตงก็ร้องดาว่าไอ้สัตรูมังอย่า้นยินนงวยวยบิดาขู่ก่อนเวรอไดายิงก็หันหน้าหดวมาก็พอมบางเตกยิกงหลบมิดทันเกาทันบางเตกนั้นถูกเข้าที่ไหลขวาของควรอูควรเึงก็เข้าช่วยแก่ เอาเงาอูับมายังค่ายได้ฝ่ายอี ก, กิมอยู่ในค่ายแหละแต่ก็เริ่มมีการสู้รบ ก, กับก็ัวบางเต๊กเอาเกาทันยิงถุงเงาอูอี ก, กิมก็เกิดความคิดอิจฉากลัวบางเต๊กจะมีใครชนะครัวบางเต๊จนะกตจะได้ความชอบอี ก, กินก็ติดแกล้งให้ตอมารอบเป็นสัญญาณให้ถอยทับ ก็จะได้ใช้ชนะค่าสุดก็แล้วนี่เป็อย่างนั้นก็ เ, เลยแปลงเหตติมารอเรียมันงเตกลับมาอย่างนั้นแหละอือบังเตกนะ่ะได้ยินเสีงยงสัญญมารอเหตติกลับมันก็ต้องกลับก็ติคิดว่าอาจจะเกิดเหตุ ก, า, ก, การณ์ร้ายยังไงนั้นก็ได้อ่ะแล้วก็ไม่เห็นจะตีกันได้เล่นได้มาไราก็ต้องกลับพอกลับมาค่ายก็ถามอีกทีว่ารอมใช้อชี จะตามคลาเสร็จไปแล้วเหตุนายจิ่ปีมาหลอกอีกจิมก็ตอบว่ามีรับสั่งพระเจ้าวีอองมาว่ากวนอือาเป็นคนมีสติปัญญาอุบายมากซึ่งถูกกาวทรม น, นั้นนะเกิดจะเป็นคกนหลวงเราจริงปีมาล่อห้ามไว้นี่คือเหตุผลของอีกิมผู้ริสยาบางเตก็ถิงว่าถ้าท่นนี้ห้ามเรา เราก็จะตามไปฆ่ากวนอูได้อยู่แล้วอี ก, กินก็เิื่อว่าซึ่งจะทําใจเราไม่ดีเกลือจะมีภัยเดี๋ยวนี้รู้แม่ว่ากวนอูจะทําอุมายประการใดเราก็ต้องคิดยับยั้งให้ดีก่อนอี ก, กินก็กล่าวด้เย็นด้วยตรนี้บางเตกหาด้วยรู้ถึงใจอี ก, กินวริษยะตนแต่ประการใดนั้นก็หารู้ไม่ ก็แต่คิดเค่ได้โอกาสที่ได้ทีเป็นอย่างดีแล้วนั้นนะ่ะก็คิดเคดาด้โอกาสนั้นไม่รู้แล้วหมัอนกันจะหาโอกาสอย่างนี้นได้ที่ไหนอีกทีนี้ขันฝ่ายกวนอัวครั้งกลับไปถึงใข่ก็ชักยูกเกาทามที่ปิดไหลออกแล้วก็เอายามาใส่และใจนี้นก็คิดโกรธดูก็คิดว่แกทา น, นเรื่องเปลืองว่ ท่านจงเป็นพยานแกเราด้วยเราจะแก้ฝงมือไอ้บางเต็กนี้ให้จงได้ถ้าแก้แคนมันนี้ได้เราก็จะไม่ทำสึดอีกสุอไปเลยผ่านตั้งปรีงกว่าท่านจงอดใจรักษาตัวให้หายก่อนเถิดแล้จึงค่อยยกออกรบกับข้าสึดอีกครั้งดุ่ยเช้า บางเตยก็ยกออกอีกแน่นอนครับบางเตกนี่ก็รู้ววนอูเจ็บไปแล้วนี่ก็ออกมาท้ารบอีกอ้วนอูรู้ว่บางเตกจะยกมารบอ้วนอู ก, ก็จะออกไปรบเหมือนกันทาง น, น้ำมันมก็ห้ามก้วนอูไว้บางเตกมันออกมาแล้วอวนอูไม่ออกมาบางเตกก็ส่งฐานเข้ามาร้องดาหวังให้อวนอูโกรธจะได้ยกออกมารบกับตรงแต่อ้วนอู ก, ก็ไม่ได้ยกออกไปรบด้วย ด้วยโกนูก็เชื่อทำให้รักษาเหมือนกันข้างโกนเป่งอยู่เป็นโบ๊ทนั่นก็ยังให้รักษาค่ายไว้เป็นสา ม, มารถแล้วก็สั่งทหารนี่เอาข่าวนี้เข้าไปบอกไอกอกนูด้วยคือข่าวที่บางเตกมาร้องดาท่าทานประกันได้อย่างไรเนี่ยให้ติดข่าวเนี่ยโกนูก็อยู่รักษาบาดแผลพานใน่ายบางเตกนะั่นก็ยกไปอ ย, อ, กอยั่ว้ารกโกนูอยู่จนนี้ทุกสิบวัน ก็เมืเอูยกออกมารบด้วยบางทีก็ปรึกษากับอีกกลิ่นว่าชะรอยกวนอูกกทูเก่าทำจับตัวอยู่ที่ไม่ออกมาลบกับเราแบบนี้ควรที่เราจะยกถานทั้งเจ็ดหมวดเนี่ยเข้าตีอเอาไข่กวนอูให้จงพร้อมกันเถอะกินแก้เมียนังเสียได้อีกกลินเนี่ยก็กลัวแต่ไม่ใช่กลัวกวนอูนะ กลัวบางเต็กจะมีความชอบมียอดแม่ทัพคนนี้เป็นอย่างนี้อื๋ปีกิ่มกลัวว่าบางเต็กจะมีความชอบแหละก็จึงทัดทานไว้โดยอ้างรับสางพระเจ้าวีอ๋องแหะไม่ยอมไม่ยอมมันก็มันก็ปีทัพอู๋ก็อย่างนั้นแหละแต่เป็นแต่ห้ามแบบอย่างนี้หลายครั้ง และอีกกลิ่นก็ยกทหารไปสกัดทางใหญ่ที่อยู่ที่ทุ่งจังเขากลายจากมีอ้วนเสือไปทางประมาณร้อยเซกให้บางเป็กไปตั้งสุดอยู่ข้างหลังด้วยหวังที่จะมีใหบางเป็กออกมรบนี่อาทำแม่พับจ่ามาให้แบบอีกกลิ่นนี่เขามีกันมานานแล้วไหมครับ เป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นที่นี่ฝายกุนเต็งเนี่ยรู้ข่าวทให้เกากบไปบอกกับบิดาว่าบาดเนีตอิก้งกับบางเต็กยกทัพไปตั้งที่หุบเขาก็าไม่รู้จะที่อ่านทำการมีประการใดอย่างไรคุณอูนั้นก็เ้สุูดีสงกเยือรักษาแผลเกาทันหายแล้ว เมื่อได้ทราบขาวจากเุ็ถึงจก็ขึ้ น, น, นมาผ่าหารไปยืนบนเนินเชิเขาแห่งนึงแไปในเมืองอ้วนเสียก็เห็นธงและทหารน่ะดร่วงรยเมฆกระเด็นแลไปก็เห็นทุ่งที่อยู่ในหุบเขาแห่งนี้อยู่ข้างทิศเหนือก็เนพวกอี ก, กิมบังเต็งบังอยู่ไกลจากเมืองอ้วนเสียประมาณร้อยเซนและเห็นแม่นม้ำเซิงกันไหลเที่ยวเป็นกาลัง ก็จึงเรียกหาชาวบ้านมาแล้วก็ถามว่าทุ่งอันเนี้ยชื่ออะไรชาวบ้านก็บอกว่าทุ่งจังเขากูดูไฟังก็ดีใจก็จึงว่าอีกกินครั้งนี้หาคนนี้มีเราไหมกูดูว่าจะ น, นี่เลยทีเดียวทหารก็ถามว่าถ้าเหมือนเหตุ ก, รการณ์ใดจะเปล่าวเช่นนั้นคุณดูก็ตอบว่า หน้าสุดนะเขาตั้งในที่แคบเห็นจะคิดทําการได้สะดุกควรอุวาดังนี้เขียนชัยภูมิแล้วก็คิดว่าจนได้เปรียกว่าแล้วก็มีพาฐานกลับมายังค่ายสั่งให้ทำเรือรบน้อยใหญ่ปลาเตรียมไว้เป็นอันมากทีเดียว ก็าถานควรอูผู้บิดาว่าบบนี้เรายกมารบดดุลขบวนทางบกเหตุใดบิดาท่านจึงเรียกกระเตรมุยเยชนีเราควรอูก็บอกแกควรอิว่าแบบนี้อีกินมังเต็กยกถอยไปตั้งค่ายอยู่ทุ่งจันเข้าในหุบเขานึ่งเราเป็นยอดที่มันน่เป็นที่รุ่นและที่เราอยู่เนี่ยเป็นที่ดอนและก็เห็นว่าในเดือนศึกเนี่ย ฝนจะต้องตกหนักน้ำจะเกิดมากก็จะท่วมที่ค่ายคนทั้งตัวเนี่ยก็จะลำบากเนื้อหาที่อาศัยนี้ได้เราก็จะยกทับเรือไปรบเอาก็เห็นจะได้ใช้ชนะโดยง่ายควรเอ็นด้ฟังควรอูบูบินากล่าวชี้แจงดังนั้นก็นบหนอกเห็นชอบด้วยบิดา วที่ต่างข่ายอยู่นั้นเพราะถึงหน้าฝนฝนยังก็ตกนี่ก็ต้องเรียกว่ากวนอูผู้มีโอกาสโดยอยู่ใกล้คิดโหลงขูบิึงและจะว่าอยู่ใกล้บัณฑิตไหครับแล้วก็รับพายพอดสิ่งต่างๆเขาไหวถึงจะไม่ได้ทั้งหมดทั้งเตงแต่ก็ยังได้บังนะาเอาก็รู้ว่า อะไรก็อะไรต่างๆมาเนี่ยนี่ใช้ภูมิประเทศใช้ฤดูกาลให้เป็นประโยชน์ละนี่กวนอูวางแผนไว้แล้วทีนี้เมื่อฝนมันตกทุกวันทุกวันไม่ได้ขาดเลยอย่างเนี้วันนึง่งเสียงโหอก็ว่าไอีกกินว่ามีคําฝ่ายของโจโฉละนะครับอีกกินผู้เกรงว่าบางเตกจะได้หน้าเตินกวดเติมซะแล้ว บัดนี้ก็ต้องต่านคาอยู่เนี่ยสมเด็จก็เข้า <ๆ S 1> ไปพ่ดที่เราตั้งค่าอยู่มาพูดจันเขาเนี่มันเป็นที่แคบที่ลุ่มใกล้กันกับภูเขาด้วยและบัดนี้ก็ไปมับลมแล้วแล้อฝนก็ตกชุกทุกวันนี้ได้ขาดทหารทั้งปวงได้รับความลําบากมากนะบัดเนี้ย ก็เป็ได้ยินข่าวว่ากวนอูให้ตั้งค่ายอยู่บนเนินเขาอันสูงวแเ่แต่เท่านั้นกวนอูไม่กล่าเปลี่ยนโดยรบใหญ่ม้อยจะเป็นอันมากถ้าน้ามามากเข้าเนี่ยเห็นพวกเราจะลำบากด้วยน้ําหาที่จะส า, ายนิ่ได้เราจะคิดอ่านประการใดนี่สิงหัวเข้ามาพูดจาทีแจงอย่างเนี้แต่อี ก, กินนี่จะเป็นคนอย่างไรอ่ะ เราค่อยๆอ่านกันทีละนิดทีละนิดหมาความค่อยทำความเข้าใจกับบุคคลผู้นี้ไปสิตอนที่บางเตกซู่งรบกับกวนอูบางเตกได้ทีอยู่นะอีกิมก็สั่งให้ตีมาหลอเป็นสัญญาให้ถอยอย่งนั้นและแล้วก็อ่านเหตุผลมันตามามาแต่จริงๆน่ะกลัวบางเตกจะชนะสิแล้วกลจะได้มากเกินกว่าตน ใครมีกว่ามิตไห้มาบัดใ น, นเสียงโหกกล่าวคีแจงแสดงเหตุมาโดยดีเนี่ยบางเปกขึ้นเสียงกระหวาด้วยทีเดียวดาเลยทดวยวไอ้คนชั่วมึงมาว่าดังเนี่ยหวังจะฐานรเสียน้ำใจแ้่นั้นหรืออย่าจจระจาต่อไปเลยทำนี้ฟังแล้วกูจะฆ่าเสียนี่ท่านแม่ทับเสียงโหได้ยิน อีกินกระหวะขาโทษถึงประหารอย่างนั้นนะ่ะก็ตกใจด้วยกลัวด้วยอายด้วยก็ถอยออกมาแล้วก็มาพูดกับมันเต็กตามคําของตัวแหละคาที่อีกกินว่าละมันก็ร่าฟันก็ไปเจอไปดูไปนี่ไปนี่ไปนี่ไมเหตุผลอย่างนี้แต่ก็ถูกฟั่งฆ่าเลยเนี่ยบังเต็กก็จริงว่าอืมท่านว่านี่นะ่ะพี่ท่านว่ามันเนี่ยชอบแล้ถูกแล้ว เราตั้งค่าอยู่ในที่แคบซอกเขาน้ํำพวมเข้าจะได้ทุกยากหนักแต่อี ก, กินผู้เป็นแม่ทัพมียอมยา้ายย้าตามความคิดเขาแต่เวลาผู้นี้เราเองก็เป็นแม่ทับมากถ้าแ ม, ม่อีกกินเขาไม่ยอมย้ายเราจะย้ายเราจะยกไปปั้งอยู่ที่อื่นหรือบางเต็งกว่ายอย่างนี้ เะบางเตกก็เป็นแม่ทัพมาเนี่บางเตกเสียงโหปรึกษากันชะมีแล้วเพราะเวลาค่ำวันนั้นแหละก็เกิดฝนหนักพายุหนักบางเตกได้ยินเสียงฝนเสียงพายุอึมขมินดังนั้นก็ตกใจทีเดียวละก็ขี่ม้าออกไปยืนดูหน้าท่ายก็แรไปทั้งแปดทิศแหละคือรอบตัวดูเหมือนรอบตัวดูเลยก็เห็นม้าบลาบมาเป็นอันมาก และว น, น้ำมันคือฝนน่าตกหลายวันมาแล้ววันนี้หนักเขาอีกเนี่ยน้าก็ไหลาบาดท่วมคล้ายสูงประมาณถึงหศอกมีคนธรรมดาก็เลยหัวแล้วทหารด้ความํำบาดยี่นะจนน้าปายเป็นอันมากอีกินกับบางเต ก, กและฐานที่เหลือตายนั้นนะ่ะต่างคนต่างก็หนี้นไปอาศัยอยู่บนเนินเขาน้อยแห่งหนึง่ง และอีกกลินกับบางเต็กนั้นก็ไม่ได้อยู่แห่งเดียวกันครั้นเวลารุ่งเช้าคว้วนอูผูคะเนกาข้าดการหุ่นนาไว้แล้วกยาหารัวรองโบกพงปีกองแล้วก็ยกทัพเรือเร่งมาทีเดียว กวนอูยกมามีทหารประมาณตัวเองมีทหารประมาณห้าหกสิบคนตอนนั้นอ่ะเห็นจะสู้ไม่ได้เนี่ยอีกินก็ร้องไปว่าครั้งนี้ข้ารเจกาไม่ต่อรบด้วยท่านแล้วจะขอยอมแพ้ท่านขอไปเป็นข้าท่านกวนอูก็อีกินถอดเสือ้อถึงเครื่องแต่ายหมเลยแล้วก็เรียกรบเข้าไปรับตัวมาแล้วก็จะไปจับตัวบางเป็กอ่ะ บางเตกไอ้กินี่อยู่กนละที่กันหนีกันไปบนที่ดอนเหมือนดันละ่ะฝ่ายบางเต็กตั้งเห็นตั้งเชียวเสงโหมีฐานประมาณห้าร้อยยิงบนเดินเขาเห็นกวนอูมาบางเต็กก็ไี่้หวาดกลัวกวนอูแค่เรือรบล้อมเข้ไปแล้วก็ยิงเกลียวพันกวนําขึ้นไปสิเท่ากับตนไปติดอยูอบ่บนเกาะแห่งหนึ่งหลังนั้นเปิดบนโคกบนโนนมันเป็นสถานที่มัน ถูกร้อมไปไงหนีไม่รอดวนอูมีกองเรือนี่ก็เรือเนี่ยร้อมใช้เกลีวทันเลรือดมยิงขึ้นไปถูกฐานบางเตกตายสักสองรอยฝ่ายตังเหงตังเฉียวการเห็นถึงที่อับจนแล้วก็บอกไปบังเตกว่าทหารเราตายกว่าครึ่งอีกทั้งทางที่จะหนีก็ไม่มีรอดควรที่จะยอมแพ้แกวนอู เราชีวิตรอดไว้เถอะบางเต็กมนันไม่ยอมที่เดียวก็จะแบบเราเป็นข้าพระเจ้าวีอ๋องเป็นทหารโจโฉเราเป็นข้าพระเจ้าวีอ๋องได้ความสักดไว้แล้วซึ่งเราจะยอมไปเป็นข้าอวนอูอีกนั้นนะ่ะไม่บังควรว่าดังนั้นแล้วบางเต็กเนี่ยก็ฆ่าตังเหงตังเฉียวก็เลยทีเดียวแล้วก็ว่าแกทหา น, นั่นเว่าถ้าพูดใดมาว่าดังนี้ เราจะเอาโทษมันไอ้สองคนนี่พวก น, นั้นนะผได้ควางดังมันก็เร่งรบกับอวุนอูไม่ได้หยอดท้อ่ะผมเองติดอยู่บนนั้นถูกรบได้โรยการไห น, นอย่างไรก็สู้ไปตั้งแต่เช้าจนเที่ยงอวนอูนให้ฐานยิงเกาทันแล้วก็ถึงถึงก้อนฟิราไปตั้งหาผลโดยเฉพาะใช้ก้อนหินนี่แหละเป็นอาวุธคว้างเงีขึ้นไปอ่ะฝ่ายบางเตก ค่อยทังรบนี้ได้หยุดยอนและก็ว่าแต่เสียงโหที่เหลืออยู่เนี่วะเราได้ยินเขาว่ามาแต่ก่อนว่าอันขึ้นชื่อว่าทาหารแล้วคนนีไ้ได้มีความยอดท้อเก่ข้าสึกจะต้องอุตส่าห์สู้รบเอาชายัายจะไหนจึงได้เลยบัดนี้เราก็อักจนถึงที่ตายแล้วท่านทั้งปวงจงมีมานะช่วยกันรบรบต่อไปจึกวะแต่ตายเถอะ บางตีก็ปลดใจราวสารที่ของตนได้เป็นยิ่งดียิ่งเสีงโหเด็กฝันก็มีมามนกขึ้นมาเมกันถึงเงาออกมากรกดม็วนอูแล้วเสียงโหก็ไิทันจะได้ออกมารบกับวนอูหรอกก็ตนเองอยู่บนเนินเขาวนอูอยู่ในเรือก็เท่าัเสียงโห ได้เอาร่างของตัวเองออกมาเป็นเป้าเกาทันให้แกราวทฐานกวนอูเซิงโหก็จบสิ้นชีวิตลงไปได้วยเกาทันฝ่ายทหารทั้งปวงเมื่อเห็นเิงโหตายผู้เป็นนายตายก็เสียใจ่างก็ชวนกันเข้ายอมแพ้ยอมเข้าไปพวกกวยอูทั้งสิ้นส่วนเตือนบางเต็กนั้นดูแต่ผู้เดียว เหือเรือน้อยรํมมัมีคนประมาณสิบคนแกวเรือรํมมันเข้ามาใกล้บางเต็กถือเงาอยู่ก็กระโดดลงเรือรํมมันเลยนี่บินกว่าชิงช้างชิงมาสุดทีบางเป็กมีชิงเรือข้าสึดเลยโดดเข้าไปในเรือข้าสึดเงาในเมือนั้นก็หววตะบันไล่ฟาดฟันทหารในเรือทั้งลำาลำื่องาไหม่อนตัเลเปิดเปิเลย บางเต็กวิดเรือน้อยทามันได้แล้วมนึงก็ถือเงาอีกมึงก็เร่งแกวเรือนีจะเข้าเมืออ้วนเสียเป็นหัวบางเต็กชิมเรือได้เรือน้อยนีจะเข้ามืออ้วนเสียนะมีมุงไปทํางมืออ้วนเสีย วากิ้วชงนี่ต้องเรียกว่าทหารม้ามาของกวนอูแต่ไม่ใช่น้ามาเป็นคำพูดสมัยใหม่นะคือทหานแบกอาวุธเอกวนอูเนี่ยเดินน้น้ามาเนี่ยพอูดเป็น้าจะออกรบปลดโซนอาวุธให้แเอากิ้วชงเนี่ยคือเป็นหามีกำลังแล้วก็ทำมาในการรบขบวนเรือครั้งแรกเห็นบางเตกโบชิเนือแล้วก็แจวหนีไปดังนั้น่ะก็เป็นเหตุทางของตนเนี่ยถอเรือรบ ไล่ตามเรือของบางเต็กพอไล่ทันก็สั่งพุ่งเรือเข้าชนเลยเอาเรือเกยเรือของบางเต็กเรือบางเต็กก็ล่มทีนี้เงาเนี่มันหนักบางเต็กก็ต้องทิ้งเงาวเสียโดดลงมามหนีจี่ชองก็เพ่งตามจับตัวได้พาเอาให้แก่กวนอูกวนอูก็ยกทับกลับมาถึงค่ายก็ต้องเรว่าทับเรือแหละ แล้วค่อยเอาตัวอีกกินคือมาจ็บเรืออีกกินมีสันนิพพา ก, ก่อนเป็นคนแรกยอมแพ้ก่อนเลยแต่ควรดูรู้จังว่าเหตุใดดูว่าจิงองอาจมารบ ก, กับเราอีกกินก็ตอบว่าขบเจ้าเป็นข้าพระเจ้าวิอองใช้ขัดนี้ได้จึงมารบ ก, กับท่านนั้นโทษก็ผิดอยู่ท่านจึงละชีวิตข้าพเจ้าไวเ้เถอะจะอยู่เป็นข้าทําการศึก แทนคุณท่านสืบไปกูดูเด็กฝ่ายนั้นก็วระแล้วก็พูดว่าเราจะฆ่าตัวเส้นบาบักนี้หรือก็ดังหนึ่งฆ่าสุนมมัข ต, ตัวนึงก็เหมือนกันก็จึงสั่งให้ฐามัดตัวอีกิมกรอบไปในเกงจิวให้จําใส่คุกไว้กว่าจะเสร็จการศึก จ, จึงจะมาพิจารณากันอีกทีแล้วก็สั่งให้เอาตัวมันไปเข้ามา บางเตกก็มาถึงกวดูก็ถามไปดูวะคือคําถามนี่ป่าก น, กนกันกับอีกินนะกวนดูถามว่าบาัดนี้เราจับตัวได้มาแล้วตัวจะคิดประการใดบางเต็กมีความมานะอยู่คือถือตัวอยู่มากยืนอยู่ฉะนั้นไี่แหละคำนับกวนดูกวนดูก็ถามต่อไปอลยว่าบางหิว พี่ชายของตัวและม้าเชียวนายเก่าของตัวก็เป็นข้าราชการอยู่ในเมืองเสฉวนและบัด น, นี้เรายกกองทัพมาชนี้เหตุนตัวจีไม่มาสมัครอยู่ด้วยเรานี่คือคําถามของผู้ชนะบังเด็กผู้แพ้เด็กกว่านั้นก็โกรธก็ยิ่งตอบว่าเราเป็นข้าพระเจ้าวิอองพระเจ้าวิอองมีคุณแต่เราเป็นนั้นมาก ซึ่งเราจะยอมเข้าแต่ท่านนั้นนี้บางคนเราจะขอตายด้วยคมหอกคมบาปหารักชีวิตหม่บางเตกหวายอย่างนี้แล้วก็ว่ากล่าวหยาดท้าแต่คนอูไปเปน็นมากทีเดียวคนอูก็จึงให้เอาตัวบางเตกไปฆ่าเสียแล้วค่อยคิดปรานีขึ้นมาก็จึงเอาศพไปจัด ก, การฝังไว กจะกล่าวลงไปแล้วว่าโล่ใบนั้นได้ใส่ใครอ่ะก็ใส่บังเต็กนั่นเองแหละแต่จะได้ใส่ไม่ใส่อย่างไรก็ไม่ต้องไปคหมินนหรอกเอากันแาบบบังเต็กก็จบชีวิตไปอย่างสมศักดิ์ศ ร, รีชายชาติอาหารถึงจะถูกฝ่ายค่าุดกค้นกวนอูสัางประหารชีวิตในถานะเป็นนักโทษคนสาคัญยังไรก็ตามแต่กวนอูเองอะ คนรักแระนับถิอในน้ำใจของบางเต็กจินเกิดความปราณีขึ้นมาให้ออกสบไปจาัด ก, การฝังไว้นี่ถือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เป็นศัตรูยอย่างที่สุดแล้วประการหนึ่งละ่ะบางเต็กก็จบชีวิตลงไปก็กล่าวได้ว่าสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของความเป็นชายิอาหารเขาทีเดียวละ่ะทีนี้ข้างฝ่ายโจหินขุนพลร่วมแส ซึ่งอยู่ในเมืองวนเสียครั้นเห็นน้ํามาก็เร่งกับชาวบ้านปิดช่องคลองคูเสียไม่ให้ น, น้ําเข้าอ่าน้ําก็หักพุ่งเข้ามาในเมืองแล้เมืองอ้วนเสียก็เกิดน้ําท่วมทหารทั้งปวได้รับความลำบากเป็นอันมากทีเดียวโจหญิงก็ว่าแก่ทหารทั้งปวงหวาดครั้งนี้เห็นเราจะมีอันตรายซสีจริงแล้ว ทั้งน้ำก็มาคนทั้งปวงก็ได้รับความทุกข์ยากลาบากนะข้าศึกเข้ามารบเห็นจะต้านทางนี้ได้ควรที่เราจะทิ้งเมืองอ้วนเสียยกหนีไปเพื่อรักษาชีวิตไว้ก่อนเจอยิ้นท่านขุนพลร่วมแทรกดาริจนีแล้วก็สัง่งจะกลาบเรียนเรือที่จะนี ขณะนั้นเมือนธงที่ปรึกษาก็จึงห้ามว่าซึ่งจะทิ้งเงินอ้วนเสียนั้นหนักไม่ควรรอสักสองสองวันน้าก็จะลดแห้งถอยไปเองเราเห็นว่าอันควนอูซึ่งจะยกมารบในคราวหน้าเนี่ยก็เห็นว่าจะยังหา ม, มาไม่เห็นจะให้แต่ทหารไปขัดทับอยู่นะเกียบแแพซึ่งเป็นพางที่จะเข้าเงินอ้วนเสีย เด็กลัวพวกเราจะไปตีวกหลังอันหนึ่องอ้วนเสียเนี่ยเป็นหลัใหญ่สําคัญแก้วันหนึ่งทั้งกลุ่ทางปากใต้นีเป็นอันมากถ้าทิ้งเมืองอ้วนเสียใช่แล้วเมืองเตียงอันก็จะเป็นอันตรายโจ้าหญิงก็ตอกแก บ, บน ท, นวทงวะท่านว่าเนี่ยเราก็เห็นชอบด้วยถ้าธ่านมีพักทวงเรา เห็นจะเสียราชการไปในครั้งนี้เป็นแน่อืโจหินยอมฟังโจยินว่าดังนั้นแล้วคือยอมรับละในความที่เห็นของวรวงเนี่ยก ข, ขี่ม้า ข, ขาวขึ้นไปยืนบนเชิงเทิงแล้วก็ร้องว่าแกถานักปตัว่าบัดนี้เราถือรับสั่งพระเจ้าวีอ๋องมาคือถือรับสั่งโจโฉมาถ้าผู้ใดทำรา ก, การยอดหยอ่อน ออกปาว่าจะทิ้งเงินอ้วนเสียเราจะตัดฝีปา์ผู้นั้นเสียพาพันปว ก, ก็จริงพร้อมกันว่าข้าพเจ้าจะขอรักษามเมืองไว้จนกว่าชีวิตจะสิ้นโยนยินได้ตนนั้นก็ดีใจเห็นฐานะัพลวงมี